เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนอย่างกว้างขวาง 2481 ขณะ ครูบาธรรมชัยและครูบาชุ่มโพธิโกได้ร่วมเฝ้า ท่านไม่เคยเกรงกลัวกับความตายเลยไม่ ครูบาเจ้าศรีวิชัยบอกกับครูบาชุ่มและครูบาธรรมชัยตลอดว่าควรจะได้ว่าจ้างช่างมา เมื่อช่างปั้นรูปเหมือนเสร็จเรียบร้อย ท่านถึงกับน้ำตาเอ่อออกมา จงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะอบรม จงพยายามสั่งสอนอบรมสัตถาประชาชนให้เข้าถึงธรรมะความ ประชาชนเคารพบูชาเลื่อมใสมากมีอภินิหารปรากฏอยู่เสมอหลังจากถวายชำปนากิจครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วครูบาธรรมชัยก็กลับๆชาว เป็นการสอนฟรีฟรีไม่ได้มีเงินเดือนอะไรซึ่งครูบาธรรมชัยก็เต็มใจสอนให้ด้วยจิตอันเต็มเปี่ยมเป 9 ปีสอนนักธรรมนี้ได้นิตยภัฏปี 24 บาทครู ตรงกับเดือน 9 เหนือขึ้น 14 ค่ําปีขาลถือกําเนิดที่หมู่บ้าน 7 คนเสีย บิดามารดาก็เสียชีวิตไปหมดแล้วครูบาธรรมชัยเมื่อสมัย รอบรู้ในอัตในธรรมจึงได้อบรมปลูกนิสัยลูก พรหมเสนเรียน 15 ปีเดือนหัดท่องเรียนเขียนอ่านตัว เป็นสามเณรอยู่ได้ 1 พรรษาเป หลังจากครุ่นคิดไตร่ตรองอยู่หลายวันท่านก็เข้าไปกราบลาสมภารเจ้าวัดว่าขอลาเข้าไปบำเพ็ญกรรมฐานในป่าสัก 1 พรรษาสมภารเจ้าวัดตกใจเพราะว่ายังเห็นว่าเป็นสามเณรอ่อนพรรษาไม่ประสีประสาในเรื่องอรรถธรรมตลอดจนวัดปฏิบัติของพระธุดงค์ดีพอท่านก็ห้ามปรามไว้ แต่ว่าครูบาธรรมชัยหรือว่าสามเณรกองแก้วในสมัยนั้นก็ยืนกรานที่จะเดินทุรดง มีบริขารเท่าที่จําเป็นคือสะบงจีวรแล้วก็บาทส่วนกรดนั้นไม่มีคิดจะอาศัยนั่งแล้วก็หลับนอน เมื่อเดินทางไปถึงป่าห้วยดิบเดินทางไปถึงป่าห้วยดิบแต่ลําพัง มีอาเพศให้เป็นไปด้วยบาปกรรมชอบ เมื่อๆนานาแต่แล้วในที่สุดก็สิ้นสุดปลายทาง อันจำ pouch быть,並不存在 о том, за жизнь года. 때문에 get born, let me out. Promise can be registered for the mint. Send a bath to you, make the vapor of my body feel think it makes theца of ours. Don't have a reason to die, so I don't know, I just want to give that peace. cookie 근데 it easy for me, there is a big deal that has proven to be true of the buck Linda. I think that's the story I feel that some sound of an artist. Pдерж�糸 not want to be or พระพุทธองค์ได้รวบรวมซึ่งโอวาททั้งปวงที่ประทานไว้ตลอด 45 พรรษาลง ทีนี้ฝ่ายชายชาวบ้านนี้ สมณะเณรเป็นผู้เจริญโดยแท้เป็นนักบุญที่มนุษย์และเทวดาจะปึงสารเสริญกล่าวแล้วชายชาวป่าก็กราบลาไปสมณะเณรกองแก้วได้ทุดงเข้าไปในป่าห้วยดิบด้วยจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวป่าใหญ่แห่งนี้ชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายอาศัยหากินเช่นเสือช้างหมี่งูกระทิงเป็นต้น ธรรมชาติทั้งป่าอันสงัดเงียบวังเวงใจก็ทำให้อารมณ์ความรู้สึกเบาสบายถูกกำนิสัยรักสงบของท่านมากความรู้สึกกวาดกลัวภายอันตรายในป่าไม่มีเลยเพราะว่าได้ตั้งกิดที่จะอุทิตนต่อการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเด็ดเดียวแม้จะเสียชีวิตก็ไม่อะไรเสียได้ เพื่อที่จะพิสูตรว่าตนเองมีสัท� เมื่อไม่หวั่นไหวก็มีใจตั้งมั่นในการปฏิบัติจนถึงที่สุดจะต้องพบธรรมวิเศษอันเป็นพระธรรมที่พ้นจากโลกอยู่เหนือโลกแล้วก็ไม่ถูกจำกัดด้วยกาลเวลาอย่างแน่นอนคืนแรกในป่าห้วยดิบสามเณรนั่งสมาถภาวนาอยู่จนค่่อนคืนจิตตั้งมั่นในสมาธิยังไม่เป็นที่พอใจเพราะยังมีถีนมิทธะ ซึ่งเป็นสิ่งกั้นความดีไม่ๆมันไม่ค่อยจะได้ผลดัง บังคับให้มันสงบอยู่ในอำนาจของตัว เห็นว่าอาหารเป็นสิ่งปฏิกูลที่จำใจจะต้อง ได้พบอีกว่ามีรอยเสื้อใหญ่อยู่ทั่วบริเวณนั้นเป็นรอยใหม่ๆแสดงว่าเสื้อตัวนี้มันมาเดินบนเวียนอยู่คนต้นม้ตอนที่สเนนเข้าไปบินธบัตรในหมู่บ้านพอรู้ว่าเสื้อขนาดใหญ่มาปรากฏในบริเวณที่นั่งสมาธิบําเพ็ญบารมีพลก็มีอาการขนลูกสู้ไว้ทั้งตัวจิตวันไหรู้สึกกลัวจนตัวสั่นขาดสติไปชั่วขนาะแต่แล้วก็ตั้งสติได้แล้วก็นึกขําตัวเองที่แรกก็บอกว่าไม่กลัอะไร แต่พอเจอเข้าจริงๆเห็นแค่ๆเมื่อๆไม่ได้ตาฝาดดู 4 หรือว่าอยู่ที่โคนต้นไม้หรือไปอยู่ที่ว่างบ้านเรือน แต่มีสติรู้ตัวว่ามีอารมณ์มีสติรู้ตัวว่ามีอารมณ์โพรง นิ่งอยู่กับที่ก้าวขาไม่ออกเมื่อพบว่าเสือ สำเนตกตลึงเสือก็ตลึงที่ได้ประจันหน้ากันอย่างไม่นึกผันครันแล้วช่วยอึดใจที่ต่างฝ่ายต่างก็ตลึงจังงังเสือโคร่งตัวใหญ่ก็แยกเคี่ยวส่งเสียงคำรามดังสนัดปานฟ้าผ่าย่อตัวลงต่ำกระโจนผึงเข้าตะครุบสำเนต์อย่างดูร้ายกระหายเลือน ความตกใจทําให้สัมเนนพังหาะก้าวถอยหลังเลยสะดวดรากไม้ริมตะลิ่งหล้มลงทําให้เสื้อกระโดวดข้ามหัวไปจนเย็นว่าไปทั้งตัวด้วยแรงลมที่พัดผ่านความตื่นตรหนกทําให้สัมเนนลุกไม่ขึ้นนอนเนื้อตัวสัันเท่าอยู่ตรงนั้นเองพระโคบคุมสติไม่อยู่คิดว่าตัวเองต้องตกเป็นอาหารเสือแน่ๆวันนี้แต่เสือก็หายเงียบไปไม่เห็นกลับมาอีกจึงค่อยมีสติลุกขึ้นมองไปรอบรอบก็ไม่ปรากฏพบวีแวของเสือตัวนั้นเลย คงพบแต่รอยขนาดใหญ่ของมันมีขนาดสติ ขาดจากใจทําให้ไม่สามารถควบ เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ตัดๆ จิตใจเต็มไปด้วยความอาถรรพ์ใคร่ผิวคล้ํา ท่านยิ้มน้อยๆแล้วก็ทักทายบอกว่าเดินตามหาเสือจะๆหรือเอนสมณะเกลกองแก้วหรือว่าครู ต่อไปภายหน้าจะรุ่งเรืองขออย่าได้ศึกเลยให้ฝากๆหรือว่าเป็นเสืออาคมกัน เราชนะทุกอย่างชนะทุกอย่างเสือสางสิงสารอาศัตรในโลกนี้จะมาทําอะไรเราไม่ได้เลยสมณเณรกอง การปฏิบัติกรรมฐานนี้ต้องมีครูถ้าปฏิบัติดั้นด้นไปตามลําพังตน หลวงพ่อตอบว่าพระอาจารย์ที่เก่งกรรมฐานมีอยู่หลายองค์อยู่ตามวัดก็มีอยู่ตามป่าตามเขาก็มีแต่ที่สะดวกจะไปหาง่ายอยู่ไม่ไกลก็คือครูบาเจ้าศรีวิชัยสมควรที่สามเณรจะ โดยเฉพาะการเดินจงกรมการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิจะต่างกันตรงที่เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นการเดินจงกรมต้องเดินให้ถูกวิธีถึงจะได้ผลอย่า พื้นดินๆต่ำๆความยาวคือ 1 เดินเดเด 2 เดิน 3 เดินไป จงคล่อม 3 สายนี้เดินเพื่อบูชาพระ อุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดจนท่านผู้เคยมีวางทาบไว้ที่ท้องน้อยใต้สะดือ ที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนา อย่าก้าวยาวนักอย่าสั้นนักอย่าปล่อยเอ่อเผลอปล่อยมือ หรือจะหยุดยืนกำหนดรำพึงสักครู่ เพราะการเดินจงกรมก็คือทำสมาธิอีกแบบหนึ่งนั่นเองคือเพียงแต่เปลี่ยนอิริยบทเพื่อระงับ การเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาก็คือ สุดท้ายก็ไม่บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้สามเณร เป็นเสืออาคมอันเกิดจากตุ๊เจ้ารูปๆเสือทําท่าจะขบๆทําไม เรื่องนี้ครูบาธรรมชัยได้เล่าใน สองเทพยดาเนรมิตร่างกลายเป็นเสือมา เป็นกระแสเมตตาอันชุ่มเย็นอย่างประหลาดล้ำ ได้เข้าเรียน 19 ก็สอบนักไดได 20 ปีในปีนี้เองณพัทธสีมา 28 มกราคม พ.ศ. 2475 เจ้าอธิการคํามูลธรรมวังโสวัดแม่ศาลบ้าน จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแทนพระปิ่นตาต่อมา 6 ปีในระหว่าง แล้วก็ พ.ศ. 2481 คณะศรัทธามีพ่ออุ้ยแก้วเป็นหัวหน้าบ้านสันป่าตองวัด ครูบาธรรมชัยรับนิมนต์ออกเดินทางไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนปี 2481 ท่านได้บูรณะปลูกสร้างเสนาสนะเครื่องใช้วัดอินทกิลใหม่จนเจริญรุ่งเรืองตลอดมาไม่หยุดหย่อนเป็นเวลาถึง 9 ปีได้อบรมสั่งสอน 10 บวชเรียนเป็นสามเณรและพระภิกษุเป็นจำนวนมากเป็นที่เลื่องลือไปทั่วภาคเหนือว่าท่านเป็นพระนักสร้างนักพัฒนาวัดวาอาราม ทำให้ๆกลายเป็นวัดใหญ่โตสวยงามในระหว่าง 9 ปีนี้เมื่อว่าง ในขณะเดียวกันก็ 2490 ปลายปีปีท่านได้ 9 ปี เพื่อจะออกป่าจาริกทุรดงกรรมฐานไปหาความสงบวิเวก จาริ longo ธูดงแต่ลำพังเข้าป่าไปเรื่อยๆทางอำเฟิ ornament เสียงมันดังมาตามพื้นดินจนคล้ายๆเสียงพ้องจูมขนาดใหญ่ดังก้องสะเทือน ได้ยินเสียงผีตีนมันเดินย่องเหยียบใบไม้แห้งกรอบแกรบกรอบแกรบเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดลงตรง ขอให้มันจงอย่าได้มีความๆให้มันรักษาตนให้ปลอดจากทุกข์ ครูบาธรรมชัยได้เล่าในภายหลังที่เดินอยู่ ซึ่งเป็นดงงูเหลื่อมที่ขึ้นชื่อลือชา ก็ 16 ตัวยั่วเย้าอยู่รอบๆตัวท่านแต่ ซึ่งตามธรรมดาแล้วมันจะต้องตวัดรัดๆขนาดควายหรือเสือโคร่งทรง ได้พบงูใหญ่ๆแล้วก็งูพิษมาก พ.ศ. 2492 ครูบา เนื่องด้วยทางคณะสงฆ์เห็นว่าถ้ำตับเต่าเนี่ยสุดปี จนกระทั่งทุกวันนี้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสมัยก่อนสงครามเช่นถ้ํา พูดตัดคำให้สั้นก็ลงเหลือถ้ำตับเต่าตำนานภูมิเป็นมาของถ้ำนี้มีอยู่ในศิลาจารึกที่ถ้ำ 3 แผ่นเป็นตัวหนังสือปืนเมืองเก่า ขั้นต่อมาท่านได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานณหน้าถ้ำนี้เหล่ารุกขเทวดาและเทพเจ้าทั้งหลายทุกสวรรค์ชั้นฟ้าได้พากันได้ลามไม่ป่าไปไกลประมาณและยังไม่ลึกลงไปในดินด้วยอํานาจร้อนแรงไม่มีอะไรจะมาหยุด เดือดร้อนกันใหญ่ถึงพญานาคในเมือง ใครควรพิจารณาดูเอาเองอ่ะนะ อุสาอดทนลำบากต่อสู้กับ 5 ปีสิ้น 143,900 บาทซึ่งเป็นเงินจํานวนมากที ครูบาธรรมชัยได้บูรณะองค์พระประธานในถ้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จให้เป็นองค์ ําตรับตาปูชนียสถานหน้าเที่ยวบริเวณหน้า่าทําร่มรื่อนโดยต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เป็นแถวเป็นแนวนกน้ยใหญ่นานาพันธุ์ก็ส่งเสียงร้องเงินอยู่ตามต้นไม้อย่างไภเราะบริเวณวัดไม่กลัวคนเลยชนีก็หุยเสียงห้อยหวนโยนตัวมีให้เห็นเสมอเสียงร้องของวิหกนอกกาและลิงข้างบางชนีในสถานอันเยือกเย็นเปล่าเปรี่ยวอย่างนี้ ทำให้จิตใจอารมณ์ของผู้ที่ได้ไปเยือน 50 ขั้นมีศาลา หน้าองค์พระประธานมีพระพุทธเจดีย์แล้วหน 5 วาหินศิลาจารึกเกี่ยวกับเมตร หน้าถ้ำมีบันไดอิฐถือปูนขึ้นไป 600 เมตรภายในถ้ำมืดมากมอง เมื่อขึ้นไปถึงปากถ้ำแล้วจะต้อง สิ่งประหลาดที่สุดก็จะต้องเจองูคนนำทางจะรีบพาออก ถ้ำมืดนี้จึงศักดิ์สิทธิ์มากไม่มีๆเข้าไปลําบากเพราะไม่แน่ มีคนจํานวนมากมาแล้วไม่สามารถจะผ่านเข้าไปได้เพราะปรากฏว่ามีพญางูใหญ่แปลกๆชอบมานอนขวางทางไว้ตามตำนานได้บอกไว้ว่าอันว่าบุคคลใดที่มีจิตไม่เป็นบุญเป็นกุศลพูดจาสกปรกหยาบคาย ภายในถ้ําส่วนที่ลึกที่สุดนี้มีสิ่งมหัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ์เช่นพระธาตุน้ํา คล้ายๆสร้างด้วยพลาสติกใส่น้ำไว้ข้าง เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบประคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับนัตถิกรรมังสมะพลัง กันต่อนะครับจากตอนที่แล้วที่ผนังถ้ําถัดพระเจ้าเนือนิ่ม สมาทานศีล 5 ตั้งอธิฐานจิตขอลูกเทวดาจากท่านเคร่งครัดแล้วก็ถือ แล้วก็บอกกล่าวอัญเชิญไปเป็นบุตร ฝ่าย จากนั้นมาในปีพ.ศ. 2497 ชาวคณะบ้านทุ่งหลวงตำบล เมื่อครูบาธรรมชัยยอมรับนิมนต์เม 29 เมษายน 2497 วัดทุ่งหลวงๆมีศาลา 1 กุบาธรรมชัยมาอยู่วัดนี้ได้เริ่ม รูปาธรรมชัยเป็นพระเถระที่เสียสละตั้งใจ ถวายวัดแม่ตะมานแล้วก็วัดม่วง พระปรมาจารย์ทุกประการตลอดชีวิตของครู การรักษาโรคของครูบาธรรมชัย การอบตัวด้วยเครื่องยาสมุนไพรก็ๆบริการอยู่ตลอดเวลาตามปกติจะมีๆจากทั่วประเทศ เป็นประจําก็มีมากที่รักษาอยู่เป็น ท่านให้ทุกคนที่บากหน้าไป พระสรุเป็นองค์สมเด็จพระ 26 สิงหาคม 2519 ครู หลังจากเสร็จพิธีแล้วคณะศรัทธาญาติโยมก็นิมนต์ครูบาธรรมชัยและอาจารย์ที่ร่วมในพิธีหลายองค์ไปเที่ยวน้ำตกสายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเท่าที่จำได้ก็มีหลวงพ่อฤาศรีลิงดำหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงพ่อชุ่มโพธิโกร่วมขบวนไปด้วยในครั้งนี้น้ำตกสายขาวอยู่ที่ภูเขาสายขาวเป็นเทือกเขาใหญ่สูงสุดที่สำคัญมากในปัตตานีในอดีตเคยมีการทำเหมืองทองคำที่เขาลูกนี้ คณะหลวงปู่หลวงพ่อที่ไปเที่ยวน้ํา 60-70 ปีที่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เอ่ยขึ้นว่าจะๆจากภูเขาทรายขาวนี้ มนุษย์ยังไม่สามารถขุดค้นลงไปได้ หลวงปู่หลวงพ่อเหล่านั้นเมื่อได้ฟังคําตอบหลวงพ่อศิหมก็หัวเราะดูอีกครั้งพอหลวงปู่ศิหม มือลึกลับใหญ่โตที่ปิดแหวนทองคําใต้ดิน หลวงพ่อฤาษีลิงดำถามหลวงปู่ศิษย์ว่าทำไมทองคําจํานวนมหึมานี้คนถึงขุดลงไปไม่พบหลวงปู่ มชุมพติโกกล่าวว่าทคําที่นี่มีมากกว่าจริงแต่ยังเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทองคํานี้มีอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอีกหลายแห่งต่อไปในอนาคตประเทศชาติของเราจะร่ํารัวใหญ่ประชาชนก็จะมีความสุขเป็นไปตามดวงเมืองที่จะเจริญรุ่งโรถกลูบาธรรมชัยก็หลับตาใช้ยานอย่างรู้บ้างท่า่นก็กล่าวว่าทองคําที่น้ําตกสายขาวนี้ี่ ข้าศึกศัตรูที่บังอาจล่วงล้ำก้าวข้ามคุ้มทองแห่งๆมากมายอยู่ที่ภูเขาทรายขาวจริงทองคําไม่ได้หมดไปตามความเข้าใจของพวก เวลานี้ใครไปขุดขึ้นมาๆเมื่อถึง เรื่องการมีตาทิพย์ของครูบาธรรมชัยนี้เป็นที่ยอมรับในหมู่พระได้ยกย่องท่าน รู้ว่าคนนี้ป่วยเจ็บจะตายหรือว่าจะหายเมื่อไหร่รู้ว่าคนที่ไม่ป่วยเจ็บมีร่าง เมื่อคราวมีเม 18 ตุลาคมปี 2518 ในพิธีก็มีหลวงพ่อสําคัญสําคัญ ครูบาธรรมชัยแล้วก็เป็นต้นว่าพ่อฤาษีลิงดำปรากฏมีปรากฏการมหัศจรรย์หลายอย่างเป็นต้นว่ามีฝูงนกๆองค์ นกประหลาดสีสวยเหล่านี้ได้ส่งเสียงร้องขึ้นพร้อมๆกันอย่างเจื้อยแจ้วไพรเรอ ได้นมัสการถามหลวงพ่อฤาษีดิงดำภายหลังจากออกสมาธิวัดแล้วก็ส่งเสียงร้องประสานเสียงอย่างไผ่เพาะอ่าไผ่เราะเพราะพริ้งนี้จะมีความหมายเป็นประการใดหรือไม่หลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านยิ้มๆแล้วก็ตอบว่า หลวงปู่จุ่มก็ยิ้มๆบอกว่าให้ถามหลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกดูสิคันเมื่อหันไปนมัสการถามหลวงปู่คำแสนท่านก็ชี้มือไปที่ครูบาธรรมชัยแล้วก็บอกว่าให้ถามครูบาธรรมชัยดูสิการที่พระอริยเจ้าทั้ง 3 องค์บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบคำถามทำให้หลวงปู่สิมหลวงปู่บุญด้าหลวงปู่คำแสนแล้วก็สนับสนุนให้ครูบาธรรมชัยเป็นผู้ตอบ ครูบาธรรมชัยรู้ว่าหลวงปู่หลวงพ่อเหล่า นกพูดจากันเป็นภาษาธรรมะแล้วก็ร่วมสวด ทีนี้จะขอกล่าวอีกเสี้ยวปี 2484 ครูบาธรรมชัย หลังจากที่ท่านเคยไปร่วมงานสร้างทางขึลนดอยแห่งนี้กับครูบ่าเจ้าสีวิชัยมาแล้วท่านเคยพบว่าในป่าด้านหลังดอยสุเทพบรีเวณธรรมหรืสีนั่นเป็นสถานเงียบสงาทรวิเว pardon ธรรมชาาติรื่นรมเย็นตาเย็นใจ เหมาะที่จะบำเพritersเพียงภาวนาเป็นอย่างมาก เมื่อครูบาธรรมชัยเดินทางไปถึงลำ และท탄ทีที่มันเหลือเพ� repeatedly บรถก suppression ก็ descon ปลับไปเดินงุ่มงาจ campaigns ทรงรีเราเลี่ยเข้ามาหาอย่างดูร้ายหนททันธิ์ท ขนาดได้กลิ่นลมหายใจอันร้อนแรงฟืดฟาดของมันปะทะหน้าจนร้อนวูบว้างแต่พอท่านแผ่เมตตาจิตให้มันก็ทําให้มัน ไม่สนใจกับท่านอีกเลยคล้ายๆกับไม่มีตัวตัวโตขนาด ท่านก็ปรเมตตาให้มันด้วยจิตอันสงบเยือกเย็นๆเลื้อยหนีไปอีกคราวหนึ่งครูบา ล้วนสูงใหญ่ล่ําพี่มีงางามยาวหลายเชือกๆท่านห่างไม่ถึง 3 วาช้างทั้ง เป็นเพราะบาระมีทรัมของท่านที่แผ่เมตาก่อนจะลงอาบน้ำชำระกายในลำ helper йนั่นเอง อยู่ในป่าช้าสันปูเลยอย futures ๆก็วัดทุ่งหลวงอำเภ bons cons เป็นป่าช้าที่หลุ temptedก มีผีดิดประกฎอยู่เสมอเป็นที่เกลงกลัวของช้าบ้านถั่วไป ท่านเข้าไปปักปรดบําเพ็ญธรรมกรรมฐาน ช้างได้มุ่งหน้ามาทางป่าช้าสรรพูเลยชาวบ้านยกเกล็งว่าครูบาธรรมชัย พวกชาวบ้านก็พากันกลับไปๆมันตรง แต่พอเข้าไปใกล้บริเวณได้สายศิลที่ครูบาธรรมชัย มันยืนคุมเชิงอยู่นานทีเดียวถึงได้ออก บ้านทั้งหลายแตกตื่นตกใจวิตตกเป็นทุกขเลเกินกลครัวช้างจะเข้าไปกระทืบปรดแล้วก็ทํารยครูบาธรรมชัยเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยได้ยังไงพราะครัวช้างจะเล่นงานเอาป่ายกวานช้างกพยายามจะเข้าไปปลอบโยน์ล่อเอาช้างออกมาจากปช้าให้ได้แต่เข้าไม่ติดพัถูกมันไล่เอาวงฝ้าตรงวิ่งหนีหัวสุขัวสุล จะเอาข้าวปลาอาหารเข้าไปถวายก็ไม่ได้เพราะวนเวียนไปมารอบๆปลดแต่ไม่กล้า จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึง 15 วันรุ่งเช้าของวันที่ 15 ที่ช้างกักอนาบริเวณไว้นั้นในที่สุดมันก็ยอมละภยศคลายจากอาการคลุ้มคลั่งตกมันยอมให้กวนเข้าไปจับเอาออกมาจากป่าช้าโดยดีฝ่ายญาติโยมชาวบ้านก็รีบพากันแห่เข้าไปในป่าช้าด้วยความหวาดวิตกไปต่างๆนานาเกรงว่าครูบาธรรมชัยอาจจะถูกช้างทำร้ายถึงแก่มรณภาพ แต่เมื่อทุกคนไปถึงก็เขา เพราะชาติก่อนเฮาเคยทําเข้ามาจึงต้อง บางช่วงบางตอนของ